ครูบาอาจารย์กศนอที่มาใส่บาทรเมื่อเช้าทั้งหมดมีเท่าไหร่พวกเน่ยได้ยินว่าสามสิบคนใช่ไหมไม่ขาดไม่เกินนะโอ้ดีแล้วลูกหลานครูบาอาจารย์กศนอกศ น, อนเป็นครูอยู่นอกระบบการเรียนการสอนแต่ตามไม่จริงเขาก็มีระบบของเขาแต่เขาก็มอบความไว้วางใจว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ให้สอนผู้ที่ไม่รู้หนังสือในบ้านนอกในชนบทอย่างน้อยก็ให้เขาได้เรียนรู้เพราะนั้นลูกหลานที่เป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์กศอนอนต้องรับผนะิดชอบตนเองนะอันดับแรกคือรับผิดชอบตนเองคล้ายๆกับว่าต้องทำงานและไปมัวยกเมกเลยไม่ได้นด้ แอบปรับมาคนนั้นก่อนเขียนออกคนนั้นก็เขียนได้ผลที่สุดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้สอนจริงจังถ้าจะว่าเขาเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกหน้าที่การงานตัวเองก็ไม่ก้าวหน้าแหนก็เลยยกเมฆพูดไปก็เลยโกหกเป็นทอดทอดไปข้างบนเออนักคนในชาติอ่านออกเขียนได้เท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปเหมือนกับคนทางรัฐบาลปลูกไม้ ปีนี้ก็จะปลูกถ้าใดต้องการปลูกเท่านั้นล้านกาเท่านี้ล้านก้านะผลที่สุดก็เอาปลูกปลูกเสร็จแล้วก็ปลูกสนามเก่านั่นแหละพอปลูกเสร็จแล้วก็ขึ้นก่อนที่จะปลูกก็ขึ้นป่ายโครงการอะไรพอปลูกเสร็จแล้วก็ปล่อยเป็นทิ้งไว้ผลที่สุดก็ตายมดไปได้ชื่อมาลบาทเออปีนี้ปลูกเท่านั้นล้านก้าปีหน้ามัก็ปลูกที่เก่าเองเออ เงินงบประมาณประวันไหลลงมาจุดเก่าสรุปแล้วคือคือปลูกแล้วไม่ได้รักษาอันนี้นะ่ะทางราชการทำงานโดยมากหลวงพ่อจะเห็นลักษณะนั้นลูกหลานกศอนอกเหมือนกันนะเพราะไม่ได้คุมเข้มเป็นมอบให้แก่พวกลูกหลานเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถึงงยังไงก็กินภาษีพี่น้องประชาชนที่หลวงพ่อพูดนะก็คือกินพวกเรากินภาษีนะคนหลวงต้องกินภาษีทั้งหมดน่ะ เพราะนั้นพวกเราต้องทําให้คุ้มค่ากับเงินที่เขาจ้างเราแต่โดยมากบอกว่าเงินขนาดนี้จ้างถูกเกินไปราคาให้น้อยเกินไปแต่ให้ออกก็ไม่ออกระนี้แต่อยากอยู่ทุซีอยู่ๆแต่ไม่ออกแต่กระโนว่าเงินเดือนน้อยอย่างนี้มันไม่ถูกนะถ้าว่ามันไม่พอเหมาะพอสมอ้อออกให้คนอื่นเขาทํา แต่ตัวเองจะทำก็ต้องทำให้คุ้มค่านะให้ถามว่าเออเงินที่เขาจ้างเราเนี่ยเท่านี้บาทเนี่ยถ้าเป็นเงินของเราทำงานอย่างเราทําเดี๋ยวนี้เนะี่ยเราจะกล้าจ้างเราไหมนี่ให้ถามพวกเราไว้อยู่เสมอนะลูกหลานนะถ้าถามไม่อย่างนั้นลูกตาว่าพวกเราจะไม่ลืมตัวนะจะรู้เท่ารู้ทันออในหลวงเมื่อวานเนี่ย วันก่อนวันที่สิบเจ็ดสภาพัฒนาชุมชนสังคมแห่งชาติเขามาที่วัดหลวงพ่อนะ เ, ออเขามาวัดหลวงพ่อเขามานอนคืนหนึ่งนี่นายหลวงเขาบอกว่าปีนี้จะเขียนหลักหลักที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงแผนที่สิบเอ็ดต้อลงไปแผนที่สิบเนี่ยท่านเลขาเขามาทอดกระถินมาวัดหลวงพ่ออยี่ เลขาสภาพัฒน์ท่านอัมพลกิติอัมพลอท่านก็นถามหลวงตาท่านเรียกว่าหลวงพ่อหรือเอเอหลงตาหน่อยไปะจะเขียนเขียนแผนสิบนี่หลวงตาจะพอจะแนะนําอลูกหลานได้ไหมว่าจะเขียนเขียนยังไงจะพัฒนาตรงไหนหลวงพ่อว่าพัฒนาคนก่อนเนอท่านเลขาเนี่ยต้องพัฒนาคนก่อนถ้าว่าคนดีคนในชาติดีมีคุณภาพมีคุณธรรมแล้ว พัฒนาสิ่งอื่นมาก็ดีไปด้วยแต่คนในชาติขาดคุณภาพของเป็นมนุษย์ละ่ะมีแต่เล่นการพนงพนันกินเหล้าเมายาส ม, ม เ, เทเทเมาอบายมุกทุกอย่างอยู่กับคนในชาติถึงจะสร้างตึกรานบ้านช่องเหลืองอาลามไปด้วยทองก็นนี่แหละพวกกินเหล้าทั้งหลายนี่แหละเออมันขี้เกียจทำงานแล้วมันจะไปเออลื้อไปพังเอาตึกรานบ้านช่องที่เป็นทองคำนะไปขายหมดนะวะ เพราะนั้นต้องพัฒนาคนก่อนหลวงพ่อพูดกับเลขาสภาพัฒเมื่อปีก่อนนะก็เป็นแผนสิบออกมาเพราะฉะนั้นพวกเราฟังๆดูซิว่าท่านเขียนยังไงนะแล้วก็ต่อไปขั้นที่เขียนแผนที่สิบเอ็ดที่มาเมื่อวานเนี่ยทั้งหมดหกสิบเก้าคนนะโดยมากไม่แต่ห้วกะทิทั้งนั้นว่างั้นเถอะพวกเหรียญทองทั้งนั้นที่มาเมื่อวานเนี่ยตรงหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดมาก ลากหลายเหมือนกันเมื่อกน้เป็นแนวความคิดของพระกรรมฐานอยู่ในป่าควรจะทําตนยังไงการวางแผนพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอันดับแรกก็คือให้พัฒนาพวกเราทุกคนก่อนต้องนับหนึ่งจากข้าพเจ้าถ้าทุกคนเป็นผู้มีศีลธรรมแล้วนั่นแหละต่อไปภายภาคหน้าก็จเจริญรุ่งเรืองไปได้เนี่ยอันนี้ เขาก็เลยมอบหนังสือให้หลวงพ่อเมื่อวานเาานี่ยเม่อวาเนี่ยหลวงพ่อมอบหนังสือที่สํานักแผนพัฒนามอบให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยมาอ่านดูเออเนี่ยเขาก็ยกในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงว่างั้นเถิดเนีในหลวงท่านบอกว่าเนี่ยท่านเขียนในหนังสือเล่มนี้ท่านบอกว่าศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบการที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องเพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชนนี่แหละในหลวงเพนมันพนรบข้อปรีด้เวย ปัญวันระเบิดข้างในระเบิดระเบิดจากข้างในพระองค์ทรงมุ่งมั่นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างในหมายความว่าต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนามีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ไม่ใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัวนะไอ้ไข่ก็ว่าตัวเองยังมั่วเมีย อ, อยู่เอาความเจริญเข้าไปเลยมานใจนจะไหนสังคมภายนอกเขามากินเฮามดตัวนออกไปเนี่ยเพิร์นบอกถูกต้องแนะในหลวงแก้ปัญหาที่จุดเล็กเพิร์นว่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปรี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพ ในการแก้ปัญหาทรงมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอเช่นการแก้ปัญหาพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็กๆคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้ามดังพระราชธรรมรัดความตอนหนึ่งว่าถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนมันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อนเพื่อที่จะได้อยู่ในสภาพที่คิดได้นี้เขาจะทำแบบรื้อทั้งหมดฉันไม่เห็นด้วยอย่างบ้านคนอยู่เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้นผุตรงนี้ไม่คุ้มที่จะไปซ่อมเอาตกเอาลงเอาตกลงหรือบ้านนี้ระเบิดเลยเราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่วิธีทําต้องค่อยๆทําจะไประเบิดหมดไม่ได้อันนี้คือในหลวงพลวันบอมเอนสิ บ, บนันบางหลังเหมือนผู้พ่อจียูห้องใดห้องหนึ่งได้ยูเปลื่อออกหมดปานี้ให้เจ้จาในเจ้าของตากแดดตากฝนมันบแมเนแนวพลว่าคอยเฮ็ดคอยเปลี่ยนคอยไปพลว่าบานเมืองจะทําตามลําดับขั้นพลวัตเนี่ ในการทำงานพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อนได้แก่สาธารณสุขคือเบื้องล่างกายซะก่อนพูดว่าให้เบื้องล่างกายเมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทาประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้จากนั้นจะเป็นเรื่องส า, สาธารณนุบำรกขั้นพื้นฐานและสิ่งจาเป็นในการประกอบอาชีพอาทิถนนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รัฐดอนสามารถนำไปประพฤติธปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุดดังพระบรมราชวาสเมื่อวันที่18กรกฎาคม2517 ความตอนหนึ่งว่านะการพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนใช้วิธีการและอุ ป, ปรกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปไอันนี้ก็คืออันนั้งอีกภูมิสังคมวันพัฒนาใดๆต้องคำหนึ่งถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณ น, นั้นว่าเป็นอย่างไรและสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันดังพระรา ช, ชรำดำรัส ความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมาศาสตร์ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้นั่นคือให้คนเขาคิดให้เป็นแนวห้องมัดบดได้พอนะวา แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งอันนี้พณวัฒน์ต้องเขาไปเบ่งค้นกนบันเปิปนวัฒน์องรวมมีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจรในการที่จะประจันตธานดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเห็น จะต้องมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงดังเช่นกรณีของทฤษฎีใหม่ที่พระราชานให้แก่ปวงประชาชประชาชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองว่าอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณส0 1สบไร่ การบริหารจัด ก, การที่ดินและแหล่งน้ําอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทสําคัญในการประกอบอาชีพเมื่อมีน้ําในการทําเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิต ด, ดีขึ้นและหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เ, เพื่อพร้อมที่จะออกสู่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั้นคือทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งที่สองและที่สไม่ติดตำราเนี่ยเนวาเนี่ ย, ยการพัฒนาแนวทัศพระราชำดำริในพระบาทสมเด็จ เ, เจ้าอยู่หัวมีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกันสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพสังคม จิตวิทยาอย่างชุมชนคือไม่ติดตําราไม่ผูกติดคิดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทยประหยัดเรียบง่ายนีย่ในเรื่องของการประหยัดนี้ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมากดังที่เราเคยเห็นตลอดยาสีพั สีปะทนนั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไรหรือสรองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานานดังที่นายสุเมตรตันติเวชชกุลและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเคยเล่าว่ากองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยะบอกว่าปีหนึ่งพระองค์เบิกดินสอสบสองแท่ง เดือนและแท่งใช้จนกระทั่งกุดใครอย่าไปทิ้งของท่านนะจะกิ้วเลยจะโกรธไงจะว่าไห้วนออกไปประหยัดทุกอย่างเป็นต้นแบบทุกอย่างทุกอย่างนี้มีค่าสำหรับพระองค์หมดทุกบาททุกสตังจะใช้อย่างระมัดระวังจะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษดรทรงใช้หลักการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษดรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้ น, น, นหาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนักดังพระราชรัมลัดความตอนหนึ่งว่า ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณฮะอี่ท่านปลูกป่าในถังป่าปลูกป่าน่ยเสียหายให้มันเกิดเองพวกเราให้ไฟไหม่เท่านั้นนะจะเกิดประโยชน์มากฮะนี่แหละท่านหลุงพ่อจะอ่านไปมากๆเนี่ยคงจะไม่ได้ฉันอาหารวันนี้หลวงพ่ออา่านในฟ้านะเออนี่ในหลวงท่านคิดท่านคิดแบบ เศรษฐกิจพอเพียงคิดแบบประหยัดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เป็นนิ่งเป็นศิลพลุงพลัง อ, อ, อย่าไปทะเยอทะยานอย่าไปมุ่งหวังในอบายยมุกนี่แหละเพราะนั้นหนังสือชุดนี้นะหลวงพ่อจะมอบให้กศนเพราะหลวงพ่อได้รับแล้วกสอนอเอาไปใช้คงจะเกิดประโยชน์ให้ลูกหลานเอาไปใช้อาไปอ่านดูนะเนี่ยหนังสือที่หลวงพ่อได้รับเมื่อวานนะจาก พัฒนาชุมชนสังคมแห่งชาติที่มาพักวัดของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็สอนแนวทางลหลายๆอย่างเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าการที่ทางผู้ใหญ่ทางในกรมที่ให้พวกเราเข้ามาศึกษาจากวัดวาศาสานาเพราะพวกเราจะต้องเขียนแผนพัฒนาประเทศชาติทักหมู่ทุกหมู่ทุกเหล่าทั้งชุมชนเมืองทั้งชุมชนนบด ทงังวัตวาศาสนาด้วยถ้าหาว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งแหล่งใดแหล่งหนึ่งไม่ก้าวเดินตามนะเหมือนกับขาสี่ขานี่ยขาหนึ่งมันขาลากมันไม่เดินไปมันจะไปวิ่งได้ยังไงครับวิ่งวิ่งก็วิ่ ง, ง, งกับเพกกระากไปงั้นอ่ะวันนั้นมาต้องพร้อมกันทั้งสี่ขาอันนี้ก็เหมือนกันทั้งสังคมเมืองทั้งชนชั้นปัญญาชน ทั้งชุนพ่อค้าประชาชนทั้งชาวบ้านทั้งฝ่ายพระสงฆ์ศาสนาทุกศาสนาต้องเห็นพร้องต้องกันมันจึงจะกระโดดไปที่ไหนก็กระโดดไปด้วยกันได้ทั้งศีลธรรมทั้งจรยิยธรรมทั้งวัฒนธรรมแต่พวกเราท่านทั้งหลายจะเขียนว่าโอ้พวกอื่นล้าสมัยทั้งหมดมีแต่พวกเราเท่านั้ น, น, นะจะพัฒนาจะใช้ความรู้ความ ฉลาดของเราเท่านั้นแหะจะพัฒนาประเทศถ้าเรามีแต่ความรู้แต่ความประพฤติไม่ดีละ่ะอ่าสอนให้มีแต่คนแต่ความรู้เสอนให้คนเก่งกฎหมายเก่งวิทยาศาสตร์เก่งคณิตศาสตร์เก่งภาษาเก่งอะไรเก่งทั้งหมดแต่ไม่มีจริยธรรมที่ดีเอา้าดูสิต่างคนก็ต่างเก่งผลที่สัวกัคนเก่งต่อเก่งมันกัดกันได้แต่นี่ ผลการดการพราะอะไเพราะมันมไม่มีจริยธรรมที่ดีแหละไม่มีศีลธรรมในจิตใจไม่มีฮิลิกแลโอตตะปะในจิตใจพอลีนสุดโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายไปอีกเหมือนกันเพราะนั้นมันต้องมีความรู้คู่คุณธรรมฮคุณธรรมคืออะไรคือจริยธรรมเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบในยุคสมัยนี้เขว่าไอคิวคนที่มีไอคิวคือคนฉลาดเรียนรู้เรียนจําได้หมดเรียกว่าไอคิวอีคิว EQ ก็คือจริยธรรมคือความรับผิดชอบเมื่อทำงานไปแล้วผลมันออกไปยังไงเมื่อออกเมื่อทางานไปแล้วผลมันออกมายังไงแล้วติดตามดูสิว่ามันเป็นยังไงเออมันคุ้มค่าไหมอมันถูกต้องไหมมันเป็นที่ยอมรับไหมที่เราปล่อยที่เราทำไปแล้วนั้นอันนี้แหละคือความรับผิดชอบต้องตรวจตรวจตราอีกครั้งหนึ่งเออเป็นที่ยอมรับของ คนกลุ่มใหญ่ทุกคนนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมเอ่อทีนี้ MQ นั่นก็คือเป็นผู้นิสยัยเยอกเย็นใจดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณธรรมในจิตใจเข้าไปอยู่ในชุมชนใดชุมชนนั้นยอมรับเออบุคคลที่มี MQ สูงฮะอรอะนั้นในหลักการบริหารประเทศชาติหลวงพ่อว่าทา้งว่าพวกเราลูกหลานทุกคนนะ ช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือหลวงพ่อก็เปียบเทียบว่านี่แหละความพร้อมเพียงสามัคคีของคนในชาติน่ะเป็นเยี่ยมถ้าคนในชาติแตกสามัคคีกันแล้วอย่าหวังจะมีความสุขหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบกับศาลาของหลวงพ่อหลังนี้นะสงพรศาลาหลังนี้มีอะไรบ้างส่วนประกอบมีกระเบื้องใช่ไหมข้างบนแล้วก็มีแปรใช่ไหมที่กระเบื้องค้างอยู่แล้วก็ จันทร์ใช่ไหมที่แปรมันค้างอยู่และมีอกไก่ใช่ไหมที่มันคัําอยู่มีดั้งใช่ไหมที่มันยึดข้างบนมีสะพานคอใช่ไหมมีคื่อใช่ไหมมีเสาใช่ไหมมีพื้นมีคานใช่ไหม อ, อมีฐานรากใช่ไหมนี่แหละคือศาลาพวกเราเข้ามาอยู่อาศัยได้เพราะศาลาหลังนี้สมบูรณ์มีความพร้อมเพียงสมัครขี่ศาลาหลังนี้มันสมัครขีกันอยู่เดียเ๋ยวนี้พวกเราเข้ามาก็ได้พึ่งพาอาศัย ใครใครเข้ามาก็ได้พึ่งพาอาศัยได้เพราะสาลาสามัคคีกันแต่ถ้าหากว่าอกระเบื้องอวดดีขึ้นมาเหมือนกันถเถอกระเบื้องอวดดีขึ้นมาไอข่านี่แหละ ค, คุมสูเจ้าอยู่คุมกระลาสูเจ้าอยู่ถ้าข้าออกไปท่านนั้นนะสูนี่ถูกแดดถูกฝนเปียกหมดผุหมดอข้านี่เป็นใหญ่กว่าสูเจ้าทั้งหลายอพอกระเบื้องพูดจบ ข้าวเขบอกว่าอา้าวถ้าตาแก่ว่าแกเก่งจริงๆข่าออกนะเออข้าจะเดินออกให้กระเบื้องอยู่ซะทีดิแล้วกระเบื้องจะอยู่ได้ไหมมันไม่มีข้าวมันก็กองอากยากลงมาข้างล่างอีกเหมือนกันเน่พราะเหตุอะไรเพราะมันมีข้าวเออจันทนันเขาบอกอา้าวถ้าข้าวมันเก่งจริงกูออกนะมันจะอยู่ได้ไหมผลในสุดทุกส่วนของสาลาหลังนี้มีความพร้อมเพียงสมรูคีรกัน มันจึงจะอยู่ได้สมบูรณ์หลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบว่าในวัดวาศาสนาหนึ่งหรือสำนักงานหนึ่งหรือบริษัททางร้านหนึ่งจะต้องมีคนดูแลสวนดูแลความสะอาดคนขับรถคนปัดกวาดคนเช็คของมันต้องมีพนักงานอะไรทั้งหมดไม่ใช่ว่าเท่าแกจะไปตั้งอยูออ่ข่าคนเดียวนี่หล่ะสำคัญกว่าเพื่อนใช่เทสาแกก็สคกาสคัญนั่นะแต่ไม่มีลูกน้องล่ะ ถ้าแกจะอยู่ได้ล่ะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นสำนักงานทุกแข่งจะต้องมีหัวหน้าจะต้องมีลูกน้องสรุปแล้วคือต้องการความพร้อมเพียงสมัคขี่ในหมู่ในกลุ่มในคณะยิ่งประเทศชาติบ้านเมืองของเราอย่าไปคิดอย่าไปพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าพูดออกไปแล้วเสียหายอย่าพูดถ้าพูดแล้วต้องคิดก่อนไม่ใช่หลวมปากแล้วก็พูดออกไปออพอพูดออกไปแล้วเขาจับ ไหมใส่โทษเข้าไปเข้าคุกเข้าตรางปากพาเสียหลวงตามหาบัวท่านว่าไอ้พวกที่ปากไม่คิดปากไม่อ่านแล้วพูดไปพวกปากยาวทำอมพวกนี้พวกปากยาวพวกได้ยินแล้วเฉยเฉยนะใช่ไพวกปากยาวก็จบนะตามที่จริงท่านว่าท่านบอกว่าเนี่ยยาวมันคือใครพวกปากหมาทำไมพวกปากยาวนี่คือพวกปากหมาหมามันปากยาวแต่มนุษย์มันปากสั้นใช่ไหมล่ะเนี่ย เพราะนั้นพวกเรานะทุกคนนะให้มีความพร้อมเพียงสมัครีกันและก็พร้อมกันก็ให้ระลึกถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติก็คือใครเราเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่นะ่ะเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะกรเราพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตายอย่างไรเราก็ทดแทนพระคุณของท่านอันนี้คือชาติ เออคือชาติเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ในี่ยแหละชาติบ้านเมืองาศาสนาก็คือพุทธาศาสนาให้สอนให้พวกเราละชั่วทำดีให้มีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้มีศีลหนะ้าเน้อ่าอย่าไปฆ่ากันเนะ้อศีลห้าคืออะไรลูกหลานก็คงจะเ ว, ว้ยรักษาศีลห้ามีแต่คนวัดเขาวัดเขาวานคนโบราณเนี่ยคนไม่มีงานทำทั้งนั้นรักษาศีลห้าแต่ตามไม่กิงไม่ใช่ได้ ศีลห้าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเราคิดดูได้หลวงพ่ออธิบายให้ฟังนะสิว่าศีลห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าวะอย่าฆ่ากันนะถ้าเราไปฆ่าเขาล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียเขาล่ะใช่เราไปฆ่าเขาก็ไม่กระไรพอเราไปฆ่าเขาแต่เขามาฆ่าเราล่ะจะเนยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียของเราล่ะฆ่าวงศสาระฆานายาของเราเรามีความรู้สึกไหมโอ้โหตายเออถ้าฆ่าลูกเมียของเราที่เรารักเมตตาอยู่แล้วเนี่ย แต่ว่าเราจะเป็นบ้าไปเลยเลยเพราะเหตุไรเราเสียใจอย่างมากเพราะเหตไรพราะเขามาฆ่าเรานะเพราะนั้นอย่าฆ่ากันนะดีไหมนี่แหละใจเขาใจเราหลักของพุทธศาสนาเออสิลเน่ยไม่ใช่อื่นไกคุ้มครองพวกเราเหมือนกับกฎหมายนะนะอธินาทานก็เหมือนกั น, กนอย่าไปขโมยคนอื่นเขานะอขโมยพ่อขโมยแม่ของเขามาเรียกค่าไถ่ถ้าเขามาขโมยของเราไปเรียกค่าไถ่เรามีความรู้สึกยังไงขโมยขโมยมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะ เออการเมสุมิชชาจารย์สามีภรรยาของใครก็ตามเขาก็ดีเราก็ดีรักลูกหลานของเราสามีภรรยาของเราถ้าใครมาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจถ้าเราไปล่วงล้ำเขาล่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันนะพอเราเกิดมาแล้วต่างคนต่างมีให้เคารพสิทธิ์กันให้เอาหัวใจเขามาใส่หัวใจเราเอาหัวใจเราไปใส่หัวใจเขา อย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเขาเสียใจนะนี่แหละศีลข้อที่สมุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกงหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขานะถ้าเราไปต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้ามาต้มตุนเราละเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่ข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชประมาณ ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วมันขาดสติขาดจิตและทำความไม่ดีไม่งามมากมายเลยท่นี่เพราะคนขาดจิตเหมือนกับเราไปเห็นคนเป็นบ้าอย่างนั้นนะถ้าคนเป็นบ้าถ้าคนนิสัยดุร้ายเนี่ยมันฆ่าคนได้มันถือมีดเข้าไปใครจะเข้าไปใกล้ได้เพราะเหตุไรเพราะมันขาดจิตแล้วเนี่ยเข้าไปก็มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่างนั้นแต่อันนี้ก็เหมือนกันคนดื่มสุราคนขาดสติืออย่างนั้นแหละเพราะนั้นสินห้าข้อของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ให้พวกเราพวกลูกหลาน พุทธศาสนากชนประพฤติปฏิบัตินั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อถ้าเราคิดดูให้ดีเว้นเสียแต่เราเห็นแก่ตัวเท่านั้นถ้าคนเข็นแก่ตัวแล้วก็เอาเออย่างที่เขาประกาศสืบสอบบอกโผล่เขาว่าเนรับได้ไหมถ้าว่าคนขอรับชั่นในประเทศรับได้อข้อสำคัญขอให้ทํางานรับได้คนขอรับชั่นตามไม่จริงมั น, มนไม่ถูกทางนั้นแหละ จะไปรับได้ยังไงใช่หม PE? ใช่ถ้าคนอื่นโกงรัฐบาลมาแบ่งเงินให้เราเรารับได้ใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราเป็นบริษัททางร้านน่ะคนอื่นมาโกงเราเรารับได้ไหม PE? เรารับไม่ได้เพราะเห็นแลไรเพราะเขามาโกงเงบโกงเงินของเราเนะนี่ยนี่แหละถ้าเราเขาไปโกงเงินคนอื่นมาเนี่ยเรารับได้แต่เขามาโกงเงินเราล่ะเรารับได้ไหม PE? เรารับไม่ได้เนี่ย เพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเอาจะรเราไปใส่ใจเขาเพราะนั้นพวกเราต้องคิดให้ดีหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศารรสนาพระพุทธเจ้าต้องคิดเขาเราเขาเรา เ, เพราะนั้นอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องขอให้ลูกหลานนที่เป็นอาจารย์กศออ น, อนสั่งสอนลูกสงสอนหลานสั่งสอนนักเรียนพอเราเ อาจารย์กสศ น, นสอนผู้เฒ่าผู้แก่ที่อ่านหนังสือไม่ออกก็ให้แทรกเรื่องศินห้านี่นะให้เขาฟังด้วยสินห้าประการ น, นี่ยที่คืออะไรหัวใจเขาหัวใจเราน้ออย่าไปคิดฆ่ากันน้อถ้าเราคิดฆ่าเขาเขาคิดฆ่าเราเราจะว่ายอย่างไอข้าขโมยของเขาเขาขโมยของเราเระว่ า, ยยางไงถ้าไปสามีภรรยาของลูกหลานของเราเขาก็ชากรากถูไปปุยยี่ปุยยำเราจะมีความคิดอย่างไร เสียใจไหมหเราไปโกหกต้มตุนเขาล่ะเขามาต้มตุนเราล่ะเรามีความรู้สึกยังไงฮถ้าเขากินเหล้าเมาแล้วขับรถไปชนคนอื่นเขาเราถ้าเรากินเหล้าเมาไปชับขับรถไปชนคนอื่นเขาล่ะเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจถ้าเขามาชนเรา่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะนั้นอย่าทําเนอะในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ ห, หัวใจเขาหัวใจเรานี่แหละถาาว่าพวกเราทําได้อย่างนี้หลวงพ่อว่ามีแต่ความ ผาสุกในชุมชนในสังคมของพวกเราต่างคนก็ต่างมีสินต่างคนก็ต่างระมัดระวังของใครของเราเถึงจะมีไฟก็จริงอยู่ต่างคนก็ต่างรักษาไฟของตนเองราคาโทสะโมหะให้รักษาเอาไว้อย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางแต่ถ้าว่าปล่อยต่างคนต่างปล่อยใส่กันไฟปะไระเลยกันไหมกันโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น วันนั้นลูกหลานทุกคนนะที่เป็นกศนอที่เป็นครูบาอาจารย์ได้มาทําบุญในวันนี้ก็หลงพ่อเอ็นเองเห็นพวกลูกหลานแล้วก็เอออุ่น อ, อกอุ่นใจลูกหลานเข้าวัดวาศาสนาต่อไปก็ขอให้ลูกหลานทั้งหลายให้เป็นคนเป็นคนมีเป็นครูบาอาจารย์ที่มีคุณภาพให้มีคุณธรรมศีลจินตธรรมจริยธรรมสั่งสอนพี่น้องประชาชนขอให้ตั้งอยู่ใน คุณธรรมแล้วก็นี่แหละที่หลวงพ่อได้อ่านาคำพูดคำตรัสของในหลวงที่หลวงพ่อได้พูดไปเนี่ยล้วนแล้วมีแต่มีสาระมีประโยชน์ทั้งนั้นท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านมองภาพรวมท่านไม่ได้มองจุดใดจุดหนึ่ง เ, เห็นเห็นไหมลูกหลานาในเมืองไทยของเร า, เาฝนเทียมอย่างเนี้ยใครเป็นคนคิดาจากนั่นก่อนเนี่ย โครงการพระราชดำริมีกี่อย่างมีกี่ประการที่ท่านให้แก่ปวงประชาแต่บัด น, นี้ในหลวงของเรานะอายุมากเลยเนะี่ยอายุตั้งแปดสิบกว่าแล้วเหมือนกับพ่อแม่ของเราเนะ่พ่อแม่ของเราเลี้ยงเรามาแต่อ่อนแต่ออกเออตั้งแต่เราเอพวกเราก็คงจะเคยเห็นเด็กตัวแดงๆเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเออมีแต่ร้ อ, องไห้อย่างเดียวเออไม่พอใจยังไง ทุกยังไงก็ร้องให้พ่อแม่มีแตโ่โอ้โอ้โอ้ดูแลลูกนะอแต่บัดนี้พ่อแม่พอเราใหญ่ขึ้นมามีครอบมีครัวขึ้นมาพ่อแม่ก็ผมงอกผมขาวฟันหลุดหลังคอมหลังงอเข้าไปแล้วท่นี่ช่วยตนเองไม่ได้อพวกเราในฐานะลูกจะเป็นด่าพ่อแม่ไ อ, อ้อย่างงั้นเอี่ยงนี่ทําไมไมันเป็นอย่างนั้นทำไมเอี่ยมันถูกไหมมันไม่ถูกนะเพราะเหตุอะไรสมัยก่อนท่านเลี้ยงดูเรามาอแต่บัดนี้ท่านเท่าแก่ชราแล้ว พ่อแม่ของเราเท่าแก่ชะาแล้วเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตาอย่างไรให้ดีที่สุดอย่าให้พ่อแม่หนักใจกับเราแล้วก็ให้พ่อแม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกับเราให้พ่อแม่เป็นที่พึ่งพาอาศัยเรา้บินดจึงจะถูกนะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นให้ลูกหลานทุกคนนะ่าช่วยกันคิดหนึ่งสิ่งหมนี้เพราะพุทธศาสนาสอนให้รู้จักบุญคุณของคนไม่ให้เหยียบย่าบุญคุณ ไม่ให้ดูถูกเกียดยามบุคคลอื่นที่มีบุญคุณสำหรับสำหรับเราอย่างพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณสำหรับเราแล้วเนะี่ยเราจะไปดูถูกเยียดยามพ่อแม่ของเราไม่ถูกนะหลักของคุณศาสนาท่านว่างั้นเรียกว่าลูกอกตันอยู่นะว่านะอกะตันอยู่เป็นว่าเป็นผู้ไม่รู้บุญคุณของคนอื่นนะเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเป็นอย่างนั้นขึ้นมาต่อไปลูกหลานของเราเนะี่ยจะอากตันอยู่สำหรับเราเหมือนกันนะ เมื่อเรา อ, ากาอักตันยูกับพ่อแม่ของเราลูกของเราก็จะ อ, กอักตันยูกับเราอีกต่อไปภายภาคหน้าไม่มีที่สิ้นสุดพวกเราไม่พึงปรารถนาอย่างนั้นตอนนี้ไปหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้พรพร้อมกับคณะสงฆ์รับพรทีนี้